นังฟังคำพูต่อยสักครึ่งชั่วโมงก็จะตั้งใจพูดผู้ฟังก็ตั้งใจฟังสดเสียสงแล้วแต่ปัญญางผู้ฟังได้ดีก็ชอมได้ปัญญาวันนี้เราก็พาลบความเปลี่ยนกันมาทั้งวันตอนเย็นก็จัดกิจกรรมให้นิดนึงให้คลายให้ผ่อนคลาย หิบใบไม้กิ่งไม้จัดก้อนอิดหรือวัสดุเก็บเข้าที่เข้าทางนัหลคือการปฏิวัติธรรมเหมือนกนันมันไได้ใช้ความคิดมันมีคนบอกเราก็ทำตามเลยเราก็มีนายทําทำตามว่านอนสอนง่ายตรงนี้ละ่ะมันเป็นการปฏิวัติธรรม ทำไม่ได้ใช้ความคิดอะไรยังไงก็ได้จะใช้ความคิดอยู่บ้างก็เป็นความคิดที่ถูกต้องเหมาะแก่สถานการณ์ในปัจจุบันแต่ว่าเดี๋ยววินาทีข้างหน้านาทีข้างหน้าชั่วโมงข้างหน้าวันข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปหลักพอมที่จะเปลี่ยนอีกไปตามเหตุทำปัจจัยต่างๆ อันน้เป็นตัวปัญญาเป็นสติแล้วก็เป็นปัญญาการที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำมันก็คือสมาธิมันก็ที่เราเคลื่อนไหวรู้สึก14่จังหวะตัวนีน้มันก็สร้างการทะลุรู้กค็คือตัวสติแล้วก็รู้ตัวตัวพร้อมรู้กจ ร, รู้ใจนี่เป็นตัวปัญญาเราตั้งมั่นรู้รายละเอียดจักหยบับ ไปหาละเอียดลึกลงลึกลงเป็นรายละเอียดของการเดินทางอันนี้มันเป็นตัวปัญญาเป็นตัวภาวนาเป็นตัวพัฒนาเราได้เห็นอารมณ์เป็นยากกระทบสัมผัสในหยาบเริ่มซ่อนซ่อนขึ้นมานละเอียดเป็นความคิดเนี่ยละเอียดอารมณ์ต่างๆลึกลงลึกลงในละเอียดเราเริ่มได้มีประสบการณ์ตรงอ่ เป็นสิ่งที่กาลังเกิดเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแล้วกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเป็นปกติได้เียวว่าแทบจะตลอด้าว่าได้ถึงหลงเพล่ไปก็ไม่ถึงขั้นกับทุกมากๆเหมือนที่เคยเป็นที่เคยเป็นมันตกลงไปในความคิดแล้วก็ปรุงแต่งจนเียวว่าบอบช้ำทีเดียวทุกจนบอบช้ำนะนะปอมใจช้ำอกช้ำใจ ครับอกขับใจอยู่ยากทีเดียวอยู่ตรงไหนก็ร้อนนะประเพท น, นะอยู่ในที่เย็นก็ร้อนอยู่ที่ร้อนก็ร้อนอยู่ตรงไหนก็ร้อนลุ่มไปหมดร้อนอกร้อนใจเกิดความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจแต่พอเรารู้จักความเป็นปกติมันก็สบายอกสบายใจรู้จักความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกก็ดีวันดีคืนน ก็เป็นความสุขที่ปรากฏขึ้นมาในในจิตในใจของเราเหมือนกับว่าเราเคยลงไปในะวัตถูกกรรมกุลแล้วเราก็มีความทุกข์มีปัญหางงตัวเองต้องใช้เงินใช้ทองใช้เวลาใช้พลังงานก็เรียกว่านะ คนมีปัญญามากเอาเปรียบคนมีปัญญาน้อยมือขยาวสาวได้สาวเอาแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งอะที่มีการแข่งขันแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับผู้อื่นเพื่อให้ได้ทรัพย์ซึ่งเป็นสมบัติผัดกันชมมาเสร็จแล้วก็หลุดลอยไปมันวิ่งไล่ลจับเอาตัวเองมันก็ไม่ถึงความสุขที่แท้จริงสักทีมันจะเป็นความสุขแค่วัตถุกรรมคุณ สุขในการอันนี้เป็นนั้นอันดับที่เขาจัดไว้หยาบๆยาสุดนะต่อมาคือสุขที่จิตใจมันมีความสงบ ม, มีสมาธิอาการทำดีรว่าทำบุญทำบุญทำทานเรียกว่าบุญคือยาวัตถุเป็นความสุขที่ได้มาโดยชอบ1ิประการติดเรื่องด้วยกันนั่นก็คือทานเนี่ยนะ ทำทานมนีการให้ผู้ให้บริสุทธิ์ของบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ก็ให้ผลเป็นเลิศให้ผมให้ผลอันเลิศต่อมาก็คือเมื่อให้แล้วก็อุทิศส่งไปในจิตในใจทําว่าความดีครั้งนี้ที่ทำไมำ่จะทำเพื่อตัวเองจะทําเพื่อบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วเพื่อพอ่อเพื่อแม่แล้วทำแบบ ไม่ต้องเอาเข้าตัวร0อยเปอร์เซนตอันนี้มันจะเกิดบุญมากกว่าทําเอาเข้ามาหาตัวเองเป็นการทำบุญเพื่อที่จะให้ผู้อื่นสรรพสัตว์สสิ่งอันนี้เราอุทิศส่งไปให้แต่ว่าคนที่จะได้รับก็คือเปลลดาทำบุญให้ให้พอ่อให้แม่ให้คนที่เขาอดอยากมีความทุกข์มีปัญหา พอเราให้เขาถูกตรงเออที่เขาต้องการเนี่ก็หายทุกเราก็ช่วยเขาด้วยเมตตากรุณาเมตตาเบียรข า, า, อ, ขาอุทิศส่งไปให้ตามหน้าที่หน้าที่ของลูกมาพ่อแม่หลวงรับไปแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างนั้นเราก็ทํากันบุญประเภทนี้อนโมทนาอนุโมทนาคือพอยินดีเห็นคน ด, ดีแล้วเออดีแล้วดีแล้วไม่ฉาลิษยานะ ต่อ เ, เรือนกันก็ได้เงินมากขึ้นบ้านก็ต่อเติมแล้วได้หลังใหม่ได้รถรุ่นใหม่คันใหม่ดีกว่าเก่าปล่อย ม, มีความสุขเข้าไปด้วยยินดีกับเขาอนุโมทนาอันนี้เป็นเรื่องของอาทานเรื่องของศีลศีลก็คือความเป็นปกติเราก็มีความอ่อนน้อมเป็นปกติเป็นคนที่ จิตใจของเราอาสาจะทําดีที่ไหนก็ตามจิตอาสาจิตอาสาอาจจะผิดทองหลังพระช่วยโดยที่ไม่รู้ว่าเราเราเป็นคนที่ทําเองช่วยเขาช่วยเขาดีขึ้นดีขึ้นดีวันดีขึ้นพระช่วยตรงๆที่เขาไม่รับก็จะรับต่อเมื่อไม่ใช่เราเป็นผู้ให้เราก็มีปัญญาเราให้ผู้อื่นไปให้แทนอันนี้เลยว่า จิตอาสาหรือว่าความอ่อนน้อมถ่อมตัวความอ่อนน้อมถ่อมตัวยืดหยุ่นเย็นยินยอมยืนหยั ด, ย ด, ยยย ม, ยยดมันมีอยู่ในลักษณะของคนที่รู้จักกราบจักไหว้เป็นคนที่เคารพความดีสยบความดีมันมีความอ่อนน้อมอพนาายนาใหม่ภาษาศ า, าสานาเรียกอย่างนั้นคนที่อ่อนน้อมจนกระทั่งพระพุทธเจ้านะ องสมเด็จสัมมาวุฒเจ้าเนีได้พระสงฆ์พระสงฆ์ก็มีความเชื่อเนี้ยจริงๆไม่รู้ว่าใครไปแล้วตำตระแหนะแต่เมื่อเราไปดูกาเราก็เห็นอ๋พอพรมันเกิดจากความประพฤติอ่อนน้อมจริงๆจะนั่งพระนี่ก็รบกันมากนีจะบวชก่อนบวชหลังใครบวชก่อนหนึ่งนาทีถือว่าเป็นพี่ต้องไหวก็รบมากขนาด น, นั้นอ่อนน้อมเวลาทํางานก็เหมือนกันคนที่ทํางานก่อนอาอยุงานมากกว่าก็ต้องขึ้นก่อน อันนี้ต้องเคารพกันอย่างนั้นไม่จะหมายถึงว่ารู้มากเก่งนะแต่หมายถึงว่าใครที่เกิดก่อนทำงานก่อนแก่กว่าอายุงานราชการมากกว่าให้ขึ้นงานใหญ่ๆไปก่อนอันนี้เป็นเาืาของอภรนายจน้ำใมประพฤติอ่อนน้อมอภิวาทนาสีฤทินิจังวัฏ ธ, ธาวิจโนจัตารูธรรมาวัฏฐันติอายุนะสุขังพลังพอสีระการอายุนะสุขพนะพราสสุกสวยรวยดีจะเกิด ก็คนที่มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดมีความอ่อนน้อมรอเราเห็นธรรมชาติในเร่มันก็สอนเราต้นไผ่นมันสอนเราหรือ ว, ว่าต้นข้าวเดียมันสอนเราเข้าวเต็มรวงพวงลูกไม่ชูกันคนเป็นงานไม่ไปเยอะเสนอหน้าคนรู้จริงเก่งจริงนี่วาจามันมันสอนอยู่ขมในฝักลมมาหรือว่าเวลามีปัญหาก็โยกแยกหลบได้ตัวรอดได้ อ ป, จ, อปจายันนันไมนะการประพฤติอ่อนน้อมต่อมาคือเป็นเรื่องของนะการฟังนะผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนบรรพบุรุษเมื่อนะฟังเทศฟังธรรมนะเดี๋ยฟังด้วยดีก็ได้ปัญญานะการอวด น, น้อมรับฟังฟังเท่าไรมันก็มีต่ประโยชน์การฟังถ้าฟังเพลงถ้าฟังดีๆก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฟังเพลงนะเพลงบางเพลงเป็นเพลงธรรมะจริงๆ เช่นว่ามีเพลงอเพลงหนึ่งยังจําได้ไปเลยนะเหนื่อยเหนือนกบินหายกินจนวุ่นเธอยังทวงบนคุณขาดฉันและจะรู้สึกก่อนเคยใจหายกับสบายฝันนึ ก, พ ก, กนเพราะว่างจากสึกภายในไปเจอสุกลำลึกวางจากสึกภายในเป็นเพลงธรรมะที่เราฟังมันกระชันะหรือว่าเจ้าจุกไม่หล่ออเงี้ยแต่ก็แข็งแรงผิวเนื้อดำแดงอาชีพทํานา สาวเกลียทุกคนไม่พ้นโดนด่าจุกฟังจินชาใครว่าช่างใครนบทเพลงเราเนี่ยมันก็คือการสอนธรรมะนั่นเองเราฟังเดียวมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นมาจากการฟังเขาเรียก ว, ว่าสุดตาเป็นยามพนเรามาไขความเล็ดจินตาเปานยามก็เกิดขึ้นฟังเทศฟังธรรมฟังดีก็ได้ปัญญาจะมีการบรรลุธรรมที่เราสวดกันเมื่อเช้าธรรมาจาักสวาสุทธิ์อย่างนี้ปัญญาควรจะเอารู้บรรลุธรรมขึ้นมา เพราะการฟังฟังดีก็ได้ประโยชน์นะต่อมาก็คือการบอกการชี้การนํากันบอกในสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันถูกสิ่งที่มันเป็นธรรมสิ่งที่มันดับทุกข์สิ่งที่ทำให้เกิดปัญญาอะไรมันก็เป็นการพูดที่เป็นบุญบุญเกิดที่การพูดพูดให้ได้บุญพูดให้เสียเพื่อนพูดให้เกิดบาปนะ เสียเงินเสียทองเราก็เลือกได้จะพูดอย่างไหนพูดแบบไหนต่อมาก็คือลักษณะของทิฏฐุจุกรรมก็คือการทําความเห็นให้มันตรงถ้าความเห็นมันตรงมีสัมมาทิฏฐิมันคิดอะไรมัคิดแบบเกิดบุญเกิดความดีความงามเกิดประโยชน์ทิฏฐุจุกรรมคิดดีมก็พูดดีคิดดีมก็ทําดี แต่ว่ามันจะคิดดีได้เราต้องมีสติเนละอันนี้ก็คือภาวนาไม้นั่นเองเพราะนั้นความสุขที่เกิดจากการทําดีมันมีความสุขให้เราแต่ว่าบางทีถ้าไม่มีสติมก็ติดดีติดบุญจนทางก็ใช้คำว่าบ้าบุญกว่าได้นะก็คือให้ให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้จนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเอ็นดูเขาให้จนทางเราทุกจนไม่รู้จะทุกข์ยังไงแล้ว นี้เรียกว่าให้แบบไม่มีปัญญาหรอบางทีก็ไม่ให้ไม่ให้แบบไม่มีปัญญาเช่นเจอเด็กขายพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เชิดเชิดใส่หนะรือว่าค้อนใส่นี่นะไม่ให้เงินเขาก็ขอเด็กเช็ดกระจกรถอย่างเงี้ยนะบางทีเราไปเจอก็อแหมมันคนละชั้นกันไม่อยากมองเลยลำคาลลำคาญหูลองทานตา มาข้อกระจกปักปักปักปั ก, ปกแบบมือขอตังค์แล้วไม่ให้กลับไปบ้านมานรู้ทีเงะรถโดนขูดนะโอ้โ ห, หจนท้ายนะไปซ่อมแผลแล้หลาย ห, หมื่นเนี่เออเนี่ยเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายให้บ้างแต่ว่าไม่ถึงกับให้จนกระทั่งพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้อยู่ก็เรามีปัญญารู้จักใช้เหตุการณ์ยังไงควรเหตุการณ์ยังไงไม่ควรมันก็จะรู้ได้ประสบการณ์จะสอนตน มันก็ต้องมีทิฏฐุ ก, กรรมเวลาให้เกิดจากการมีสติแล้วก็มีปัญญาสมาธินี่แหละอยู่ก็โล ก, กเห็นโลกถ้าเกี่ยวข้องกับโลกนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมจริตสติกัน เ, นเป็นลนักษณะของความสุขที่เกิดจากจิตปกตินะอันนี้เรามีปัญญานะมันมีปัญญาไปเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องก็นี้โลกมีโลกใบเนี้ย โลกคือแผ่นดินแล้วมีโลกคือตัวเราอะโลกคือกองสังขารนะกายฟั้งศอกยาวานาคือมีจิตตสังขารกับกายยาสังขารเป็นรูปเป็นนามอะนะเราจะมองเห็นตัวเราน่ยแม่มันเป็นสิ่งที่อยู่กันเนื้อกับตัวเราแต่ว่าไม่ค่อยได้กลับมาดูตัวเองมนะันไปเห็นโลกใบนี้แล้ว่าโลกมนุษย์นะเราไปเห็นโลกมนุษยนะ์ก็มีสมมติบัญญัติกันมากมายเราไปดูโลกภายนอกส่วนใหญ่ตาโหยวจมูกเล่นกายใจนะ ก็นี้มีโลกคืออากาศทัธาติโลกคือความว่างเราจึงมาเรียนรู้โลกเรียนรู้โลกให้ท่องโลกว่างเรียกว่ามีสุขสามอย่างล้นนะนะโลกมนุษย์ก็มีความสุขในมนุษย์ก็รู้จักใช้สติปัญญาในขณะที่อยู่กับโลกมนุษย์มีสมบัติบัญญัติมีหน้าที่มากมายแล้วกันหน้าที่เราก็คือตัวเรา ที่นั่งอยู่นี่กายฟังศอกยาวานาคือมีสมมติคือชื่อคือนามสกุลแล้วก็มีอาชีพที่ทําให้ชีวิตอยู่รอดได้เรียกว่าอาชีพสุจริตเราไม่ได้ทําอาชีพทุจริตหรือว่ามิจฉาวณิชาอาชีพที่ชาวพูดเป็นคนกระทาเช่นสุลายาปินนี่ไม่ควรขายบุหรี่ขายสิ่งเสพติดไม่ควรไม่ควรทําอาชีพเหล่านี้และ เนื้อขายดีกันมากอ่แถบบันใหม่ไทเริญหรือว่าท่ามะไฟหวานเนี่ยที่ขายดีก็เล่าอ่ะล่ะต่อมาคือผงชูรสขายดีมากมาเตะเลยก็หมดมาตะเลยก็หมดนะมันเป็นภัยมากๆากนะคับชีวิตของเราแล้วผู้อื่ น, นต่อมาก็คือขายสัตว์นะครัสัตว์ตัดชีวิตนี่ไม่ควรนะถ้ามนุษย์นะพวกนี้ไม่ควรขายมนุษย์แล้วเปลี่ยนมนุษย์เป็นเงินเป็นทองนี่ไม่ควร ขายอาวุธเนี่ยไม่ควรขายปืนผาหน้าไม้เนี่ยเป็นอาชีพที่เราไม่ควรทําตลอดชีวิตนะทุจริตผิดศีลผิดธรรมอาชีพทุจริตก็มากมายแล้วกันเราก็ทำเอาสิ่งที่ไม่ได้พูดไม่จ้าไม่ชา้ชาที่ผ่านมาสักลูกรก็ทำไปเราไม่ใช่ผิดศีลผิดธรรมลักเล็กขมยน้อยทุจริตคอร์รัปชันบนนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียกว่าเรียนรู้กัน ผ่านกิจกรรมหริอการกระทามากมายทั้งวันทั้งคืนยันหลับแต่ว่าการเคลื่อนการไหวด้วยนะั้นเมื่อเราก็เรารู้ความรู้สึกตัวตรวนะี้มันเกิดความสุขที่ว่ามันเกิดปัญญาเกิดมาจริงเป็นปัญญารู้ตัวเราเห็นโลกในตัวเรากับโลกความเป็นจริงนะเป็นอันเดียวกันที่ว่าเป็นอันเดียวกันก็เพราะว่านะร่างกายของเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม โลกใบนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีเหมือนกันแล้วเราอยากโลกมาสู่เราแล้วเราก็ไปสู่โลกกลับไปกลับมากลับมากลับไปอนั้นจนทั้งมาเรียกว่าหมดอายุไขอายุไขของมนุษย์ประมาณร2 0ยีปีที่กำหนดกันไว้นะถ้าสมัยก่อนเป็นหมื่นหมื่นปีเลยนะคนมีศีลมีธรรม แต่ว่าอายุที่ผ่านมากำหนให้120ปีที่เราสามารถได้ยินได้ฟังแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะบางคนใน107ปี110ปีดังประเทศไทยก็ยังมีอยู่เต็มที่ก็คือ120ปีปรเราไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติไปเป็นคนอารมณ์ดีใจดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกรธใครอายุยืนยาวทีเดียวนอกจานผิดศีลผิดธรรมกรรมก็ตัดร้อนก็ทุกทีทุกทีทุก ท, ท, กทีบุญก็ไปทา ความดีก็ไม่เอาใช้บุญเก่าอย่างเดียวนะเวลามันก็เสี่ยงอยู่ชีวิตของเราทุกวั น, นเราก็จึงเนะี่ยมาทําบุญใหม่กันปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการทําบุญใหม่นะสร้างจังวะการเจริญสติปัฏฐานสี่นะเป็นการทําบุญแล้วก็เข้าถึงบุญที่มันสูงที่สุดในชีวิตของเรามีคนหลายคนก็บอกว่าการยกมือสร้างจังหวะครั้งเดียวนะ่ะนะดีกว่า สร้างโบสถ์สร้างวิหารทั้งหลังนี่ดีกว่าเยอะเลยอันนั้นทําให้ติดยึดติดความสุขติดความอร่อยจากการทําดีแต่ว่าการเคลื่อนมือสิบสี่าั่ววันะรู้สึกการเดินจงกรมแต่ลักษณะรู้สึกมันทําให้เกิดปัญญาเกิดการปล่อยการวางขึ้นมาแต่รู้สึกเป็นมันเกิดการปล่อยการวางขึ้นมนาแตนะถ้ารู้สึกไม่เป็นนะมันยึดรูปแบบ แตรู้สึกไม่เป็นมยึดความรู้สึกที่กายมันติดทางเราจะยึดอาการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมาขณะต่อขณะขณะปฏิบัติตรงนี้มันเป็นการยึดแต่ว่ามันการมันเป็นการเรียนรู้การยึดถ้าเราเรียนรู้การยึดแต่เดี๋ยวสังเกตว่าเออมันมีการยึดแล้วก็มีการปล่อยมีการวาง มันจะมีอยู่ในตัวของมันนะเนี่ยทีมันก็วางด้วยปัญญาที่มันเห็นบางทีมันก็วางด้วยด้วยธรรมชาติที่มันเป็นลักษณะสามอย่างเราียกว่าพระไตรลักษณ์นะก็คือความไม่เที่ยงมันมาเองก็ไปก็มันเองตามเหตุผลปัจจัยอย่างนี้อันนี้คือความเป็นเองถ้ายังไม่มีปัญญาเราเองมนความเป็นเองนะมันมีอยู่ ปัญญาที่เราเห็นอาการเหล่านั้นว่าเป็นอาการตามธรรมชาติธรรมชาติน่ยมันจะไม่เห็นเนาะแต่เราจะเห็นว่าเออมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยอาการพวกนี้มันเกิดขึ้นเราเห็นการเกิดขึ้นเราไม่เห็นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยเราเห็นตั้งอยู่แต่ไม่เห็นเกิดขึ้นดับไปอย่างเงี้ยเราเห็นตอนดับไปแต่ไม่เห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไงไม่ครบอะไม่เห็นจุดใดจุดหนึ่งก็ยังสงสัยอยู่นะมีแต่ความสงสัยแต่เราไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะเหตุอะไรอย่างเงี้ย เราจะหายสงสัยทันทีปัญหาเห็นสภาวา่าต้องเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็จึงเนี่ยต้องทําให้ต่อเนื่องทั้งวันเฝ้าดูทั้งวันหรืออย่าเรียกว่าเฝ้าดูก็ไนดะ้รู้ไปเรื่อยๆอะไรเกิดก็รู้มันอะไรเกิดก็รู้มันที่เรียกว่าอะไรเกิดคืออาการนะะของกายของใจที่เป็นอาการของรัต ธ, ธรรมอาการของนามธรรมที่ปรากฏขึ้นมา เรารู้แล้วรู้อีกโดยว่าแยกเป็นสองกลุ่มให้ได้ตัรู้สึกสัมผัสเนี่ยเป็นกลุ่มของรูปธรรมนะรู้สึกตรงนี้ก่อนเรียกว่ารูปนามนะจะเป็นรู้สึกของนามธรรมนะเช่นความคิดเกิดขึ้นมาเรียกว่านามรูปมันมีตัวมีตนที่เรียกว่าอุปทานยารูปอ่ะอุปทานยรูปนะถ้ากายก็เราเรียกว่ามหาปุถารูปภาษาศาสนารูปธรรมนามธรรมการที่อาการเกิดขึ้นมามีอุปทานเข้าไปยึดนำไปถึงมีตัวเราเกิดขึ้นมามากมายแล้วเกิด เป็นวิธีคิดเป็นวิธีพูดเป็นวิธีทําสมมติบัญญัติต่างๆกันมากมายล้นโลกเลยล่ะพอปฏิบัติแล้วก็เห็นนะความคิดนะคือตัวสมมตินั่นเองสมมติเกิดจากที่การคิดฝรั่งก็สมมติอย่างชาวพุทธก็สมมติอย่างคนไทยก็สมมติอย่างไทยอีสานก็สมมติอย่างไทยภาคใต้ก็สมมติอย่างเช่นสถาปัตยกรรมไทยอีนะอีสานก็เป็นแบบนะึงภาคกลางเป็นแบบนึนแบบงภาคใต้เป็นแบบนะั้งภาคอื่ก็มีแบบนึง เราสมมติทังนั้นนะแต่จริงๆเอาสาละนะก็คือฝนตกไม่เปียกอ่ะการแดดได้อะการสัตว์สาลาสิ่งยุงเหลือบลิ้นตัวเนี้ยนะป้องกันได้สารเร็อการทั้งหลายทั้งปวงประโยชน์อยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นนะในการเลือนนั่นก็เหมือนกันบางทีเราใส่เลือละ20บาทเลือละ50บาททําเดินตรงก็เทแล้วเราประโยชน์จากการที่มันเดินตรงแต่บางคนในต้องราคาสัก5 0สนสักหนึ่งล้านอย่ะ เออจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเออราคาล้านนังแมหมรุ่นนี้มันเดินถอยหลังได้อย่างเงี้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไม่ใช่เสื้อมันเดินถอยหลังมันมีแต่เดินไปข้างหน้านาฬิกากี่โมงกี่ยามเราดูด้นับทำตรงเวลาไปทํางานแล้วก็ตรงเวลารู้เลยเรื่อนี้เป็นนั่งรถ อ, อยู่กันหนึ่งที่ปากใต้คารายาายีิบเจ็ดล้านบาทอ่ะโยมแล้วรถคันเนี้ยชื่อว่าลัมโบกินีกันที่ร้อยยิบเจ็ด แล้วก็นั่งดูมีอยู่ร้อยห้าสิบคันคันนี้เป็นคันที่ร้อยยิบเจ็ดพอเราไปนั่งดูปั๊บรถกระบะนี่นั่งแล้วมันนิ่มกว่าเยอะเลยถ้าร้อยยีิบเจ็ดล้านนี่นั่งแข็งบนรถกระบะแย่เลยยมนั่งแล้วเหนื่อยฮะนั่งแล้วต้องคาดเซฟตี้เบลล์ถึงสี่เส้นนั่งนะคนป่วยๆนี่นั่งไม่ได้เลยคนอ้วนๆเนี่ยหมดจิตเข้าไปนั่งเลยรถคันเนี้เราก็เห็นว่าเออมันไปถึงจุดหมายปลายทางรถเนะ มันมันความเร็วสูงถนนเมืองไทยตามกฎหมายมวิ่งได้ที่ไหน่ะมันวิ่งได้แกกระบะใน80ดสิกิโเมตรถเก่งนี่ร้อยเดี๋ยวนี้ให้ประมาณร1อยสิบปลอดภัยล้าเกินรอยยี่สิแลวถบปากช่องนะเดี๋ยวทะเบียนรถโชวนะ์ถึงบ้านแล้วปรับตามกฎหมายนี่ก็คือสมมติบัญญัตินะบางทีมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งรถไปที่สร า, ารคาม รถตูของวัดตำรวจก็บอกจอดจอดจอดจอดอาร์มมาเลยบอกคนกับรถว่าอ่ะจอดนี่ก็ยังว่าไงก็ว่าขับรถเร็วเกินเขาว่าอย่านั้สักพักหนึ่งอารมาก็เห็นรถตาโลว์ะวิ่งเร็วมากเลยรถตำรวจเนี่ยเป็นรถต้เหมือนกันนะก็วิ่งไล่กับมาทำกระแสงเราด้วยก็ไปเห็นก็ว่ากันะตามสมบัติวันหยที่สมมัติไว้ตามกฎหมายอะไรกันไม่รู้ลุงทีเนี่ยก็ห้ามมอไซค์ขับย้อนสอนแต่รถตำรวจนะขับย้อนสอนมาจับได้อ่ะ อย่างเงี้ยหมายความวนะ่างงเนี่ยใช่ไหมโยบ้าไหมั่นสมมตินะ่ะแล้วในโลกนี้เราอยู่สมมติที่ภาษาทกินเลยไนะถ้าเราไปยึดถือสมมติอย่างงั้นอย่างต้องงั้นอยี้พเดีทุกตายอย่างเงี้ยเราก็จึงไม่เห็นนะสมมติเกิดที่วิธีคิดทั้งหมดเลยดั่นกันที่เราเห็นความคิดรู้ทันความคิดปลอดภไปใหญ่น้อยเราก็เห็นโลกมาความคิดมันเป็นแค่การปรุงการแต่งมันไม่ใช่เรืนะ่องหของความจริง เราจึงบางทีไม่ต้องมายึดถืออะไรด้าน่ะของความคิดมากจนกระทั่งทะเลาะกันยอมยอมกันถ้าเป็นวิธีคิดวิธีพูดวิธีทํางานต่างๆยอมได้ยืดหยุ่นได้นะอ่อนโยนยืดหยุ่นยินยอมมันก็เย็นนะเนาะอันนี้คือผลจากจิตมันปกติเมื่อก่อนจิตไม่ปกติเป็นสุขจิตไม่ปกติเป็นสุขเออเป็นทุกข์นะเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ตอนนี้มีปกติรู้เฉยๆ ตัวนี้มันเกิดขึ้นเราเจอตรงไหนเนี่ยฝึกมาเป็นวันที่6แล้วบอกว่าแบมๆนิดๆหน่อยๆโอ้สาเร็จจำม้าเจ้าเคยเปรียบเทียบว่าคนเกิดมาร้อยปีไม่เคยเห็นสภาวะของการเกิดดับอันนี้สู้คนเกิดมาไม่กี่ปีหรือว่าเกิดมาวันเดียวเราเห็นอาการเกิดดับแม้แต่เกิดมาวันเดียวมันมีค่าเกิดมาร้อยปีทําไมเห็นอาการเกิดดับนั้นไม่มีค่าอะไรเลย ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการเกิดดับที่นี้คือจิตของเราเวลามันเกิดดับหรือว่ามันมันคิดมันปรุงมันแต่งมันมาแมันกลับไปหรือว่าทำมาทั้งหลายทั้งปวงอะมันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยเข้ามาถ้าเราไม่ได้สัมผัสเนี่ยโอ้มันน่าเสียดายพูดศาสนาเขสอนตรงนี้นะสอนถึงเรื่องหนทางเอกหนทางเดียวนะที่ไปสู่มรรคผลนิพพานนะคือการเจริยาตรีฐานสีการเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา การเห็นเวญนาสุขสุขทุกทนะุกเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาการเห็นจิตในจิตนะเวลามันคิดขึ้นมามีจิตนะเกิดขึ้นมาในจิตที่ปกตินะมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเข า, เาไปยึดถือไม่ได้นะให้เห็นหนั่นะของธรรมชาติต่างๆที่ปรากฏรอบตัวเนะี่ยเป็นปรากฏการณนะ์อย่างเช่นเราเดินผ่านเห็นกรยกยองไงนะกระท้อแหงไงนะนะมันจะพวงทันทีเล็วว่าไหม ปรองกันเถอะที่อยู่วัดม า, มาทอดแหกันไมมาหาปลากันอะไรเงี้ยเราจะปรองไปได้นะเขาก็มีสมติบัญญัติของกขว่าเออสาเนี่ยเป็นสระของชาวบ้านให้ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ได้มาเอาน้ามาเอาท่ามาหาปลาหาปูอย่างเงี้ยไม่ต้องสาโน่ลักษาะเนี่ยเดี๋ยวแห้งกนะ็ได้เรื่องไนงะตอนไม่แห้งมันก็มาย่อนเป็ดมาตกปลาก็ะขอให้มีปลานะ่ยนะเสียนปลาแล้วพลานปามก็ล่าล่าสัตว์ มีอยู่ปีงน้ําแห้งโยมน้ําแห้งมากๆาการ น, นี้มีการขุดสากันไม่มีปลาจีนนะเรียกว่าลุงปลาจีนหรือป้าปลาจีนก็ได้นะพอยมประมาณสี่หปีแล้วแก่กว่าพวกเราหลายคนไปนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุนป่ารุ่นหน้ารุนอานะตัวมันยาวมากเลยการ น, นี้มันต้องย้ายไปอีกสาหนึ่งสาทางด้านศาลากลางน้ําทางทิศ ต, ตะวันออก การนี้พอขุดสะน้นเสร็จมาขุดจ่าด้านนี้ทางทิศเหนือพอขุดทางทิศเหนือก็ต้องย้ายปลาไปบอ่อทางทิศตะวันออกชาวบ้านแห่กันมาจับหน้าดูเลยยอมแล้วก็อนามาสังเกตก็ไม่ได้จับแบบทะนุถนอมหรอกนะเข้าจาั๊กกระแลหนีบมันนหนีบแรงๆด้วยนะระว่งที่จับไปปล่อยแนตะ่เขาหนีบนง บางคนเอามาสังเกตปลาช่อ น, นเวลาพาะเผลอก็บีบแรงนะโดยบีบแบบเก่งให้มันตายอ่ะให้มันบอบนะแค่เอาจาักแลเรหนีบเนี่ยไม่ต้องถึงกับหนีบแรงมันก็ตายอยู่แล้วละเหม็นขี้เต่าก็ น, นี้วันลุ้ขึ้นเนี่ยลอยหัวนั่นเต็มเลยอยอมหงายท้องเงบเงบเงบเงียบเงียเห็นอู้เนาะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเนี่ยมันต้องช่วยเหลือแบบบริสุทธิ์ใจการช่วยเหลือกันเนี่ย กาช่วยเหลืออะไรก็ตามนะถ้าช่วยเหลือไม่เป็นอันตรายอย่างเช่นว่ามีข่าวใช่ไหมผู้หญิงจะฆ่ า, าตัวตาย เ, าเดินอยู่ริมระเบียงจริงๆเรามองว่าเขาเดินจงกลมก็ได้นะเ้า ง, ง่วงก็ เ, เลยไปเดินเดินบนริมระเบียงอ่ะเสร็จแล้วมีการช่วยเหลือเดินเข้าช้าทีเดียวหงายท้องไว้ฟ้าได้แค่ผ้าถุงตกลงมาตายคาที่อันนี้คือเรื่องของการช่วยไมเป็นต้องหันหลังให้ใเวลาช่วยคนอัเป็นี่ย วเวลาเขาหันหลังก็ช่วยทางข้างหลังก็ต้องช่วยแบบมีศิลปะนิดหนึ่งเนี่ยเราก็จึงช่วยเหลือกันโดยการเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันปฏิบัติธรรมต่างคนต่างทำกันไปแล้วก็มานั่งพูดกันอย่างเงี้ยโดยประสบการณ์ที่เราเคยเห็นว่าอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยมันมีบวกมีลบบางทีปฏิบัติมันเกิดปีติขึ้นมาเกิดบุญขึ้นมา อย่างเช่นพอปฏิบัติแล้วใจมันดีขึ้นมามันอยากจะทําบุญอยากจะสร้างกุฏิศาลาตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของศาสนาก็าจะเชิญชวนแล้วก็เลี่ยไรกันตรงนั้นทําให้เกิดความสุขขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาไปแล้วสบายอกสบายใจมีเท่าไหร่ก็ให้หมดอันนี้อันตรายนะบอกไว้ก่อนอีกตัวก็คือเล่าหนาของมีแต่ความเบื่ออันนี้จะเข็ดวัดไปเลยพอปฏิบัติปัป๊บแยง้ง เดินมาจงกลมเนี่ยเดินมาเข้าฐานไปบัตรมันจะหล บ, บชมนกชมไม้อ้อมอมบางทีก็เดินรอบวัตรสามรอบก่อนแล้วก็ให้ทักเข้าฐานอะไรแบบนี้ดูก็ไพ่ก่อนไพ่อะไรเนาะไพ่สีทองโอ้สวยดีนะแหมน่าจะขุดเอาไปปลูกที่บ้านด้วยอะไรแบบนี้นก็จะไปยาวแบบนี้เดินอ้อมไอ้นี่ต้นอะไรนะทำไมมันสีแดงแดงแปลกตาดีมีเมด็ดดาๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเพาะที่บ้านดีกว่าอะเมื่อจะคิดมานะ จนกระทั่งเราไม่ได้ลงฐานรู้สึกตัวรู้ไม่ได้รู้สึกตัวขนาดนั้นะว่ามันเกิดสภาวะของความหลงเกินมาอะไรเงี้ยอันนี้เคยเกิดมาทั้งหมดเป็นประสบการณ์บวกบวกลบๆ บ, บเวลามันจะปกติรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยก็คือมันเริ่มมีอาการเห็นข้างในเห็นอารมณ์แล้วมันก็หายไปเห็นความคิดแล้วความคิดก็หายไปอย่างเงี้ยแต่แล้นจะเริ่มศักษาตัวปฏิบัติเรากัจจามือนกันนิ่งๆขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็สามารถที่จะนะ มันก็ปฏิบัติได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยอารมณ์ประเภทนี้มันจะเริ่มแอบและมันจะเริ่มไปอยู่กคาถานแล้วก็อยู่กับตัวเองนิ่งๆกิจกรรมรู้อยู่ว่ามีแต่ว่าไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันกําลังเดินทางข้างในตรงนี้ก็ถึงมีการเก็บอารมณ์กันที่เรียกว่าเก็บอารมณ์ก็คือพยานที่ยาใช้สิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้กิจวัตรจำวันที่เป็นเรื่องของ การปฏิบัติใส่ความรู้สึกในการเคลื่อนกานไหวนให้มากท่าทดียวบาได้แล้ะบางยามที่จะคิดนีแล้วก็พูดก็จึงเรียกว่าสำรวมวาจางดพูดเพื่อภาวนาเนี่ยจะมีขึ้นไหมแต่มันก็ยากอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีพระก็ทำยากก็มีเรื่องเล่าด้ยเคยสั่งกันว่างดพูดพระห้ารูปแกอารมณ์บอกว่าเราจะไม่พูดแล้วคอสนี้ทั้งคอส เราจะพยามไม่พูดกันเด็ดขาดเลยการนี้มันก็ไม่พูดก็ไม่ได้วันที่สามมันไม่ได้พูดมาสามวันแล้วพอได้ยินเสียงกันมาพระก็บอกว่าเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้นะั่นพูดหรื อ, อยังหนึ่งในห้าพูดแล้วนะเสียงอะไรไม่รู้รูปที่สองจริงด้วยไปดูกันเถอะก็พูดแล้วนะสองรูปแล้วรูปที่สามมันก็เลยพูดออกมาอา้าว ไห้ตกลงกันแล้วว่าจะไม่พูดไงรูปที่สามก็อา้าวมาว่าสองรูปแรกรูปที่สี่อ้าวแล้วท่านละพูดทําไมรูปที่ห้าโอ้พวกท่านนี่แย่มากพูดกันทุกคนเลยมีผมไม่พูดอยู่คนเดียวตกลงพูดกันหมดน่ะใช่ไหมเออก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็เลยเอา้าอยู่กันไปตามมีตามได้กันไปตามแล้วหนาใครทําใครได้น ทำยังไงก็ได้อย่างนั้นก็ว่ากันไปอย่างน้ น, นะเพราะนั้นเก็บอารมณ์ 40,000 ใครสนใจก็บอกต่อๆคนที่วัดแล้วนะตีว่างๆงาน 40,000 กันมาอยู่ที่นี่นที่นี่เป็นมหาอะไรทีเดียวมีทุกอารมณ์ให้เราได้เหมือนกับว่ากลับมาหาตัวเองอิสระพภาพเป็นมหาอไรแต่เป็นเรื่องการปฏิวัดธรรมนะระดับอนุบาลประมาตรีกรอบคุมกัย่าทาให้นั่นต้องทาไอ้นี่นมีแต่ยาาต้องๆ แต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าเอออยากทําอะไรก็ทําเถอะนะมันเป็นเรื่องกรรมที่ใครทําใครก็ได้ใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นใครทากรรมฐานทําถุงก็เดินทางไปแล้วกลายเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ตามอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เราจะเหมือนกับว่าเรียนรู้เรื่องธรรมะปฏิบัติธรรมเป็นการเดินทางเป็นการภาวนาที่เรียกว่าจิตใจขําเราจะ เหนือเกิดแก่เจ็บตายหรืว่าเหนือวัตตะสงสารเราจึงแล้วหนะว่าเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้หลงไปในวัตตะสงสารหลงไปในความคิดนะเปลี่ยนเป็นการรู้สึกตัวรู้สึกทุกๆขณะเพอาทีมจะรู้ได้นะ น, นั่นเป็นวิวัตตะมันตัดพบตัดชาตรงนั้ น, นทุกครั้งได้รู้สึกตัวนะครับผูดได้ฟังเห็นว่าสมควรแก่เวลาจะยุติไปเพียงเท่านี้ก็นนเดี๋ยวเรากลับมา พ, พร้อมกัน